อธิบายถึงเรื่องทุกเป็นของดีมีค่าเป็นของควรกําหนดไม่ใช่ของควรละแล้วก็อธิบายต่อมาอธิบายถึงเรื่องสิ่งที่ควรละคือตัวสมุทัยได้แก่ตันหาสามเมื่อ พูดทั้งเรื่องอริยสัจสี่พูดสองข้อท่านั่นก็เป็นนว่าตลอดเรื่องหมดเพื่อยกทุกข์ขึ้นมาพิจารณาเห็นทุกข์แล้วก็ละเองสมกับว่าทุกข์เป็นของควรกําหนดเราได้กำหนดแล้วคำที่ว่าเราได้กําหนดแล้วหมายก็ ม, มันชัดเจนนะมันละเอง สมืุดไทยเป็นของสมุดไทยเป็นของควรละเราได้ละแล้วมันก็สร้างของเก่าคือว่าเราเป็นของควรกําหนดเราได้กําหนดแล้วมันก็เข้ากับที่ว่ากําหนดแล้วกฎหมายความารู้เท่าแล้วเข้าใจแล้วมันก็เข้ากับสมุดไทยที่ว่าเราได้ละแล้วพูดสองแง่นี่แล้วก่อนไม่น่าจะพูดถึงเรื่อง นี่โลดได้มากเลยนีโลดแปล ว, ว่าความดับทุกข์ก็ไม่มีอื่นไกลก็มาดับทุกข์นั่นก็คือดับตัณหานั่นเองตัณหาพูดทั้งเรื่องก็พูดในตอนสมุทัยแล้วงั้นยังมาพูดซ้ํำทั้งเรื่องตัณหานี่อีกในตอนนี้โลด พิงว่าไม่น่าจะพูดแต่ถ้าไม่พูดนัอนก็หม่ครบถึงสี่ที่ท่านเรียกว่าปริวัติสามอาการสิบสองในในสัจธรรม 4. สี่สัจธรรมสี่ในทุกสมมัิไสเนโลตมันอันนี้ปริวัติสามคือว่าหนึ่งทุก สองเราควากรกำหนดสามเราได้กำหนดแล้วมีเป็นสามเรียกปฏิวัติสามแต่ละในแต่ละสัสจจะมีปฏิวัติสามสมุทัยหนึ่งเป็นของควกรกำหนดละสองเราได้ละแล้วมีเป็นสามนี่นี่โลดหนึ่งอะเป็นของควรทําให้แจ้งเราทําให้แจ้งแล้วมีเป็นสามมาก แสงของมักแสงของควรดำเนินเราได้ดำเนินแล้วมักมีอาการสามท่านจิงว่าปริวัติสามคือวัสามรอบรวมยังเป็นอาการคิดสองในสี่สัจจะ่างนั้นถ้าหากพูดสรุปรวมจีบรวมแล้วนั้น พูดถึงเรื่องทุกข์ผู้ที่เห็นทุกข์ยกทุกข์ออกมาพิจารณามันก็เป็นสมาธิิฐแล้วมันเป็นมรรคแล้วนะเพราะเห็นชัดในสมาธิิฐเกิดความชัดขึ้นว่าทุกจริงชาติชาลาปัญญาทิพย์ปัญญเป็นตน้นหรือทุกสิ่งอื่นปฏิจินนิการทุกเห็นชัด ต, ตามเป็นจริงในสิ่งนั้นแน่ค ว, วามเห็นจริงนั่นก็เป็น ปิดการละในนั้นเนี่ยเบื่อน่ายคายได้แต่ถอนถ้าเห็นจริงมันต้องไปในแนวนั้นอยู่แล้วความเห็นจริงเนี่ยเป็นตัวมากเลยพอพูดถึงเรื่องยกพวกเกลีองพิยานาน่ยพอเห็นชัดเลยเป็นสมาธิจะเป็นอนุลละทุกละทันหาละทันหามมืก็ก็เรียกว่านิโรธอยู่แล้ววนกันอยู่ในนั้นนะ อันนี้ท่านมาแยกออกเป็นขั้นตอนหออกเพื่อให้กระจ่างเพื่อให้จําได้แม่หรือให้มันครบทั้งสี่ท่านจะมาพูดทั้งเรื่องนิโลธคือความดับทุกข์นั่งจะอธิบายต่อแค่นี้นิ โ, โรธคือความดับทุกข์ทั้งหลายท่านพูดโดยยอะะ่อ ยาอย่างต no. ัญหาโปโนพวิการอันนีดาคาตาคาตาตาตาพินานดินิคือว่าโปโนภวิการนันดีดาคาตาคาตาตาตาพินานดินินี้นหมายความว่าความเพิดเพิดยินดีในการมาตัญหาพอตัญหาหรือพอตัญหาไม่มีดับทุกข์เข้ามาหาอีตัวสมุทัยของเก่าละตัวสมุทัยนั้นอีกนิโรธจงไปดั ยังเป็นผู้ดับจึงว่ามันวนเวียนกันอยู่ในนั้นตั้นหาคือกวามเะเยอทยานเป็นตัวสมุทยัยเมื่อสมาธิทีคือตัวมรรคเห็นตัวสมุทัยชัดเจ น, ดนละกันเลยมีโลกท่านก็นเลยมาแยกมาเป็นนิโรธความดับทุกข์มันเป็นเรื่อง ท่านพูดได้ตามตำหรับตำนาท่านนี้พูดในเนียปฏิบัติผู้ปฏิบัติทั้งหลายสิ่งใดที่มันมาลบกวนใจของเราให้เดือดร้อนเป็นกงังวลสิ่งนั้นเราเข้าใจกันดีแล้วว่าอันนั้นเป็นอารมณ์อารมณ์ของจิตอารมณ์ของจิตมันก็ไม่หนีจาก สามตัณหาพราวะตัณหาวิภาวตัณหานี้จักตัณหาสามถ้าหากเราสงเคราะห์คนนั้นนั่นก็เรียกว่าอยู่ในสมุทยัยถ้าหากผู้ใดมาพิจารณาเห็นตัวสมุทัยนั้นชัดทีว่มามันเกิดจากความทะเยอทยานดิ้นรนทรงใจไปยึดมั่นถือมั่นเอาอารมณ์ทั้งหลายนะั้นมาเป็นตนเป็นตัวมาเป็นของเรามาเป็นเขามาเป็นเรา มันยังคอยเกิดความเดือดร้อนเป็นทุกข์คู้ไม่เห็นชัดอย่างนี้แล้วจิตมันสงบวางเรื่องอุปทานนั้นเชียมันก็เป็นนิโรธนินักตแนวปฏิบัติของผู้ปฏิบตัติที่เราตั้งใจทำความสงบและที่ตั้งใจปาราบโรคความเพียร ก็เพราะเราเห็นโทษเบื่อหน่ายในเรื่องความยึดความถือในเรื่องจิตทั้งหลายที่เป็นที่สรงสายไปตามอารมณ์ต่างๆส่งสายไปในอดีตอนาคตปรุงแต่งในสิ่งใดขึ้นใน ย, ยึดในสิ่งนั้นรู้ว่าน่าจะเป็นตัวตัณหาไม่ได้ไม่ได้นี้ น, นอกขอบเขตตัณหาเหตุนั้นผู้ปฏิบัติจึงค่อยประมวลให้เข้าถึงหลักของท่าน ที่ท่านว่าตัณหาตัณหาตัณหาสามคือกามาตัณหาภาวะตัณหาหวิภูวตัณหาสิ่งใดถ้าใจไปชอบอกชอบใจยิดีเพื่อเพินมัวเมาเห็นสิ่งนั้นเป็นความสุขความสบายเรียกว่าตัณเรียกว่ากามาตัณหาคือความคลาความพอใจ การมาลาคะการมาตัญหาการมาโลกการมาพบการมาภูมิกามาจิตดท่านสรุปรวมเด็ความว่ารูปเสียงกินโลตุโธตพัดยินดีในรูปเสียงกินโลตุโธตพัเป็นจิตตั้งของกาพูดถึงเรื่องกามแล้วก็ของกล้วท่านจงให้พิจารณาเห็นทั้งคุณเห็นทั้งโทษ เห็นที่เกิดของกามเห็นที่ตั้งของกามเห็นวิธีที่จะดับกามนี่หมดเรื่องเห็นที่ได้เกิดไม่เห็นที่ดับหรือทาให้ดับไม่ได้ไม่กลับมาหมดเรื่องเห็นทั้งที่เกิดมันก็จะดับที่เกิดได้และเห็นที่มันตั้งอยู่มันตั้งอยู่จึงจะไปดับตรงที่มันตั้งอยู่นั่นได้ โลกนี้เรียกว่ากาเมโลกถ้าคนยังมีกามกิเลตหรือตราใดยังคนมาเกิดสัตว์ใดมีกาเมกิเลตก็มาเกิดในกาเมโลกภูไม่ได้เรียกว่ากาเมภูแล้วเกิดขึ้นมาอยู่ในกาเมโลกอยู่ในกาเมภูครอบไม่ได้เรียกว่ากาเมภูที่มีความมีรูปแจรกินและโภชนาเป็นเครื่องอยู่เพื่อเพลินดีกับรูปเจริญกินและโภชนาเนี้นะนะ ซัดตวัวใดมนุษย์คนใดเกิดขึ้นมาอยู่กับอันนี้ถ้ามีนี้เป็นเครื่องอยู่แล้วก็ไม่มีที่เกิดและไม่มีที่อยู่อยู่ไมแม้ที่สุดแต่เราเป็นอยู่ทุกวันที่เราอาศัยอยู่ทุกวันเดียวยเอาปัจสี่ผ้าป้อนเส้นหนึ่งของผมอาหารการกินเป็นเศษส่วนหนึ่งของกรรม ที่อยู่ที่นอนที่อาศัยตลอดทังอาหารในที่ยุกยาภาษาไข่กล้วยต่างเป็นส่วนหนึ่งของกามทั้งนั้นทำไมจึงว่ า, างนันท่าผรเครื่องนุ่มของผมที่ประดิษฐ์คิดขึ้นมาถ้าไม่มีตัวกามเป็นสมุฐานคิดไม่ได้ไม่เกิดขึ้นมาเลยจะทําเป็น ภาพอของเครื่อนุ่มของผมขึ้นมาได้แด้จะทำให้เป็นของสี ส, สดงดงามสวยสดงดงามด้ยวยประการต่างๆร้ว่าเราจะไปดินคิดเอาไว้จากกามทั้งนั้นมีกามเป็นเป็นมูลฐานใา่มั้ยอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทานอยู่ทุกวันปลาเนื้อสัตว์ ตลอดทุกสิ่งทุกประการก็เป็นเชื้อของกลามคือเกิดมาจากกลามที่อยู่ที่อาศัยเป็นบ้านเป็นเรือนสถาน ท, าที่ต่างๆก็อาศัยกลามตัวนั้นเป็นมูลฐานเนี่ยเไปดิคิดแต่งเพื่อเด็กวามสุขความสบาย ถูกต้องตามผมต้องรางสสง้านสะสมปัญหาต้นคือตัวกลาอมยุกยาเปสต์สัตว์ต่างๆที่จะมาบำบัดความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ประดิขึ้นมาจากวัตถุกล่มหรือว่าประดิษฐ์ขึ้นมาจากมูลเดิมคือความคิดขวาเห็นที่มันที่มันเป็นเชื่อกล่มอยู่แล้วจึงว่าไหมมันกว้วงก็คือข้อเหตุที่มันกว้วงนี่เอง ทั้งหลายขึ้นมามันยังค่อยอยู่ในขอบเขตหรือวงล้อมของวัตถุ ก, กาลกามในกิจกรรมจึงค่อยเดือดร้อนในป็นทุกคนน้อยคนและกลุ่มไม่มีปัญญาสามารถที่จะเห็นเหตุใหะเห็นโทษทั้งเรื่องนาวนอันดีค่อยจมกันโดยที่ไม่รู้ตัวจมมิดมีเลย นอนอยกับการเกิดอยู่กับการกินอยู่กับกามอาศัยการได้ตลอดเวลาเห็นว่าสุขเพียงพอแล้วไม่มีการที่จะคิดนึกเปลืองออกคนเราถ้ามาเห็นโทษแล้วออกไม่ได้แล้วผู้จะเห็นโทษในสิ่งนั้นน่ะจึงค่อยหนีจากสิ่งนั้นได้ผู้มาเห็นโทษในกามโลกเมกามมาพบกามมาภูมิกามมาที่เดชที่ไหนจะไป ย, ายา้ำหนีไม่มีใครไป ย, ายาม้มหนีแล้ว นี่จะมุนเขาทางนั้นละ่ะจมลงทุกวันลึกลงทุกทีนี่จะเอาไปของหนักนีเรื่องเรื่องนี่แหละเป็นภัยใหญ่โตที่เรียกว่าสมุดไราพูดง่ายง่ายคว่าสมุดสมุดอย่างกระไมเพลามมันดื่มดำลงไปลึกทีเดียวไม่มีการที่จะโผล่ขึ้นมา นี่เรียกว่าตัวสมุทยัยเป็นเหตุใ่เกิดไม่รู้แล้วรู้หอดเป็นทักทีผู้ที่มาเห็นชาดปล่อยวางถอนใดเลยเป็นเรื่องดับถุกจึงเรียกร้อนในโลกยาอย่างตัณหาโโนโอภวิกาตัณหาอันใดที่มาทำให้เกิดบวระไม่รู้แล้วรู้หอดเป็นทักที นั่นคือนันทิดาคาตาคต า, ค, ตาคือประกอบด้วยความยินดีและเพลิดเพลินและอันนั้นคืออะไรคือการตรดหาครวมรดหาวิเคราะห์าลงมาตัวสมไทัยของเราละก็ไม่ละอื่นละตัวสมไทัยเองจริงจะถึงนี้หรกถึงแม้หากว่าเราไม่ได้ศึกษาจดจําตามตธรรมดธรรมาแต่เราเห็นเพียงสว่ามันเป็นโทษ แล้วเห็นในใจของเราเนี่ยอารมณ์ที่มันวุ่นวายสงสยัยอารมณ์ที่มันเดือดร้อนยึดถืออยู่ไม่รู้จะจบสินะ้นนั้นมันปล่อยวางไม่ได้มันเป็นโทษทำให้เราเดือดร้อนวุ่นวาดเห็นเป็นไผ่ก็เรียกว่าเราเห็นตัวสมุทัยเป็นปิตุเป็นเหตุ น, นํามาทุกข์เพราะอันนี้คือตัวต้นหาเนี่ยนําให้เกิดทุกข์ อันนี้เป็นสิ่งที่แล้ว่าตั้งหาหรือไม่เฉ่ก็ตามเถอะไอ้สมูไรเรื่องม่เฉ่กับตามเถอะแต่เราเห็นในใจของตนว่าอันนี้มันเป็นเหตุให้เราเกิดทุกข์ทัวเนี่ยนี้เราพยายามละเลือไปพยายามของตนอีกพยายามปล่อยวางพยายามทิ้งถอนพยายามไม่ให้เห็นเป็นคุณเห็นเป็นโทษในที่พิจารณาโดยอบา ย, า ย, ย ไ, ได้กับตามเถอะ ด้วยปัญญาวิธีไดด้วยปัญญาไดก็ตามเถอะให้เห็นว่าไม่ดีเพียงเห็นว่าไม่ดีเท่านั้นเน่ยเพื่อพยายามที่จะหนีจากของไม่ดีถ้าหากถูกทางเขาชัดเจนเนื้อตนเองแล้วปล่อยวางทิ้งได้มันกับเป็นมรรคคือสมาธิิสมาธิิตในที่นี้นนเห็นจริงได้ทิ้งได้ยังเรียกว่าสมาธิิเห็นแล้ทิ้งไม่ได้ยังไม่ไมเรียกว่าสมาธิ นี่ไม่เข้าถึงมากก่อนจึงว่านิโรดนั้นถึงไม่พูดก็ไม่เป็นไรพราะพูดถึงเรื่องสมุทยัยเป็นของคนละเราได้ละแล้วคำว่าเราได้ละแล้วมันก็เป็นตัวนิโรดอยู่แล้วไม่ต้องพูดเป็นนั้นว่าถึงนิโรดอยู่แล้ว นี่ว่าตามตำ ร, ราปลาเขว่าในแนวปฏิบัติตำราต้องจดจำคำพูดแนวปฏิบัติเองมันเห็นด้วยใจของตนเองไม่ต้องจดจำธรรมานีย่ยคำที่ท่านพูดบรรยัญญตได้เห็นชัดด้วยตนเองเราพยาย่างเหมือนกันกระหนาำปักจะปักมือพัเท่าตั้งไหนก็ตามถึงวิธีที่จะเอาหนามออกจากมือจากเท้า จะต้องหาเล็กแหลมเล่นหนามมาบงตรงที่มันเจ็บมัน่ะตรงที่หนามมันปักเข้าไปจนถึงหนามเลยยังค่อยถอนหนามออกมาจึงจะหากัวถหาเ็ษอันนี้นั่นเรียกว่าตําราคือตําราโดยนจะมากมันมีอย่างนั้นครานี้ถ้าหาคนไม่ได้เรียนตําราแล้วถ้ามือไอ้น้ำเลยอะไร ความคมข้องแข็งอะไรมันมาปากเขา้าเท้าหรือมือก็าตามรู้สึกเจ็บด้วยตนเองที่ว่าความเจ็บคือทุกข์ที่บัญญาติว่าทุกข์สมมติเปนว่าทุกเราไม่รู้จักวัตทุเราไม่ทุกข์ก็ไม่จักแต่เรารู้จักเรามันเจ็บมันไม่สบายมันก็ถูกทุกข์ของเขาแนวอุบายที่จะขุดหรือเจบ็บบงนา น, นั้นออกจากเท่าหรืจากมือของเรา เราไม่รู้จักแล้วว่าขุดหรือว่าบ่งหรืออะไรก็ไม่ทราบแต่เราเห็นว่ามันเจี๋ตรงนั้นพระ ย, ยามีเสี่ออกด้ว ย, ว, ยวิธีแตกต่างมันออกได้ด้วยวิธีใด ว, วิธีหนึ่งมันออกได้พ้นจากความทุกข์เหมือนกันเหมือนกันกับตำราที่เขาเรียนที่เขาบัญญาติไว้เราไม่มีตำราแต่เราทําให้พ้นจากทุกได้เมือนกอันเดียวเพราะนั้นตํารานั้น ก็ให้ตั้งไว้เป็นตำรานะเราไม่มีตำราแล้วอะพยายามในการที่เราจะพยายามให้พ้นเสียจากทุกที่เห็นว่าเป็นทุกข์ของไม่สบายที่มีอยู่ในตัวองตนที่มันอยู่กับจิตกระไปกกับใจของตนคล้ายๆกราเห็นทุกคนคนที่ได้ความทุกข์เดือดร้อนเป็นทุกข์เป็นสศกร้องไห้ร้องห่ม คนที่เห็นทุกข์เช่นนั้นนะรู้จากกิริยาทุกข์แต่ไม่ทราบจะแก้ด้วยวิธีไหนตำไลท่านก็บอกว่าให้แก้ให้ถอนให้ละใหที่เข้าไปยึดไปถือก็เลยเป็นทุกข์เรื่องทุกข์ทั้งหลายอันนั้นจำไลท่านบอกไปครั้งนี้เราจะแก้ด้วยวิธีไหนกน็ถ้าถอนความทุกข์ความโศมันออกไปมันก็ถูกขึ้นหายอันเดียวไนสุดท้ยแต่เราจะใช้วิธีไหน เราจะพิจารณาโดยอ่ะคนเราเกิดขึ้นมาจะมีทุกมีโศกมีการกระท่าจากกันเป็นธรรมดาคือเราเห็นไปจักมาแล้โดยตาโดยใจของเราแล้วก็นว่งพิจารามันก็ถูกทางเดียวครับนั่นจึงเล่าเนธานเขาเล่าเนทานไว้ใ น, น, เ, นเรื่องนี้เรื่องผู้หญิงคนหนึ่งลูกมันตาย เป็นทุกข์กุ้มอกุ้มใจก็อ้อนวอนท่านพระเจ้าเขาเถิอพระเจ้าช่วยทุกข์ได้พระเจ้าช่วยพ้นทุกข์ได้อ้อนวอนจ่านเท่าไรเท่าไดทุกข์มันก็ไปหายจากใจมาสักทีในขณะนั้นมันคิดได้ขึ้นมาภายในหัวคนเดียวพระเจ้านี่เอาเปลียบมนันลดเรื่อย เราร้อนอกร้อนใจเราคลุ่มอกคุ่มใจเป็นทุกข์เป็นสุขเราวลืกถึงพระเจ้าสักเท่าไรเท่าไรพระเจ้าก็ไม่มาโปรดปรานเรา้นจกทุกข์จะเลยน่าจะเห็นอกเหงนใจแล้วบ้างอันนี้อะไรพระเจ้าไม่เห็นอกเห็นใจมนุษย์เลยเสียแรงเสียเรี่ยวเสียแรงที่เราอ้อนวอนร้ลลองขอเราไหวแล้วอนไม่มาช่วยพระเจ้าแบบนี้พระเจ้าเอาเปรียบมนุษย์ ไม่ดีอะ่ะมันเลยได้เห็นลงไงฝรั่งคนไม่ดีพเพาจะเอาเปรียบมนุมันย้อนเข้ามาพิจารณาในตัวของมันเองเราะฉะคนเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้มันต้องมีพัดผากจากกันมีการเกิดมีการตายความท้าหลายท่านนี้ยังมีอยู่งั้นเพราว่าสิ่งในทางพวงหมดเกิดขึ้นมาตรงไปงั้นมันเลยมาเห็นชัดโดยใจของมันเอง เราจะบไลหล่องหายร้องโห่เป็นทุกข์กระลูกของเรามันก็ไม่ได้กลับคืนมาให้เราเห็นหนามันอีกไหล่ร่องมัได้ร่องไหายร้องโ ห, งห่เป็นทุกข์เกิดทุกข์เสียบเราไม่ได้อะไรกลับคืนมาหยาเลยมันเลยวางทิ้งไปมันเลยไปถูกคําสองของพระเจ้ามีปัญญาเกิดขึ้นในตัวเองมันเป็นอย่างนี้ทั้งของที่เกิดขึ้นเองรู้ขึ้นเองเที่ยวพระเจ้า ประเทศนาว่าธรรมแท้คือปัจจตังชัดเดยตนเองนั่นเรียกว่าธรรมแท้ณัฏยังชมดีกว่าเวที่จะโพยูหิตวินยูชนเท่านั้นแหละคือผู้มีปัญญาเท่านั้ น, นะ เ, น, เ, น, เ, นเองจึงจะเห็นแจ่มด้วยวตนเองเนี่ยเพราะดังคนนี้เลยเกิดเป็นมีนยูชนวินยูชนคือมาทันทีท่านันเองทั้งทที่มันก็นไม่รู้จักว่าวินยูชนคื อ, องไงธรรมะคืออะไรพอพิจารณามันถูกมนทางเขา มันเลยเป็นมีนิวชนเกิดขึ้นมนาในนั้นเนี่ยของรู้เองเห็นเองของเป็นจริงเป็นอย่างนี้ไม่มีครูไม่มีตำราไม่มีอาจารย์ถึงแม้ครูอาจารย์ไจะมีกระถือย่างอัตมาสอนดิละเนี่ยอธิบายให้ฟังดะเนี่ยหาว่าคุณนายได้ใจก็ตามเอาไปพิจารณาทั้งเรื่องนนี้เวลามันจะเกิดความรู้นั้นขึ้นมาจริงจริงอย่างทิ้งมดัดของนี้ ไม่ได้นึกว่าเป็นคําพูดของอาตมาแล้วอาตมาทางสอนแต่ไม่ชัดขึ้นในใจของตนเองเมื่อชัดขึ้นในใจของตนเองแล้วจริอ๋อที่ท่านว่าเป็นอย่งนี้เองนั่นเองค่อยเกิดขึ้นมาจึงค่อยมาชัดทีหลังอย่ังชัดขึ้นในตนเองอันนี้เรียกว่าปัจจตังถึงหาเก็บฟังอย่างนี้ก็ตามมันจริงอย่างที่ท่านว่าแต่ไม่ไปถึงน้องออดสักทีการท่านชาติกระมาถึงน้องออดมันหมดทาง ไม่ต้อมีทางไปที่นองอะไรก็อยู่หมดทางทางไปนี่ธรรมะที่เป็นปัจเจตังค์ท่านเปนสอนเป็นของวินิจญชนธรรมะเป็นของจริงอยู่แต่ว่าไม่ไมถึงปัจเจตังยิ้นิจญชนไม่เกิดขึ้นก็เลยไม่ถึงปัจเจตังคู่ไม่เป็นวนิจญชนธรรมะนั้นเกิดเป็นเลยไม่เป็นปัจเจตังความเป็นจรงิงธรรมะเป็นของธรรมะเป็ของจรงิงแต่ตนไม่เห็นด้ตนเองไม่ดูตนเองจริงไม่ละจิงไม่ถอจริงไม่ทิ้ง ทำแท้คือทำที่ถูกมากตามอะไรยังมากคือสมาธิมันต้องเป็นของไอ้รู้ขึ้นมาแล้วต้องเป็นของละทิ้งได้ปล่อยวางได้ริงจะเรียกว่าถึงทำแท้เอาละอธิบายทิ้งเรื่องนิโรธคือความดับทุกวันนี้ก็เอาเพียงแค่นี้เี็นขันหาในชัดเจน จะได้เอียงเอียงไปทางใดทางหนึ่งเอียงเอียงไปแตะความรักความช่างเอียงเอียงไปทางความดีความชั่วเอียงเองไปทางไหนไม่ได้นั่นแหละให้เห็นท้องสิ่งให้จิตวางเป็นกลางลงไปนั่นเท่าวางเป็กลางนั่ น, น, นคือเตือนาก ไม่มีดีไชั่วอยากมีกละเอียดไม่มีสมติปัญญัติมีตรงกลางกลางนะ <c oughs> คนที่เป็นกลางลงที่เฉยจิตมันลงแล้ว่ะไม่วกลางที่มันจะรวมเป็นสมาธิที่จิตเป็นเอเส ต, ตาจิตจึกกลางตรงนั้นเน่ พูดว่าจิตดตงพัดธร่างจิตนตงพัดสอนอาคัรติเกงืิสเก่อิที่เล อ, อเกลียกเหมือนกปนน้ำสีผสมน้ำสีก็ผสมน้ำเป็นสีต่างต่าง ม, มีสีดังสีแดงสีเหลืองเ่างต้น เมื่อเสียผสมแล้วกน็น้ำก็หายไปน้ำมันที่มันใช้ใสมันก็หายไปเมืกลายเป็นจานเป็นสีแดงสีดำสีเหลืองัปจิตไม่เป็นรูัดชอบถ้าจิตนั่นไม่เป็นรูัดสอ์แล้วใครจะไปทำให้สะาตไปสุดได้ เพราะจิังเป็นตัวพัดสอนที่เดิมในจิตจึงก็อยทำห้ใสสะอาดขึ้นมาได้คนที่จะทำน้ำใสสะอาดให้กราบเคืองมาได้เขาทำาวิธีกกรเมรนการต่าง โดยการโดยกรองเอาเป็นของใสสะอาดขึ้นมาได้เราที่จะกรานกรองเอาจิตอันที่ให้ใสสะอาดขึ้นมาได้ก็ต้องมีวิธีอย่างนั้นเหมือนกันแต่การกรองก็เหมือนกับ น, น้าไม่ได้เพราะจิตมันเป็นของไม่มีตนมีนตัว รูได้โดยใจของตนเองว่าสะอาดหรือไม่สะอาดรูได้โดยใจของตนเองสะอาดมันคล่องใสทั้งที่ว่าเปิดบานจิตใจคล่องใสเปิดบานได้แจ่มช้าอะไรต่างที่พูดกันหลายอย่างหลายคำมันไม่ใช่สว่างแจ่มช้าเหมือนกับแสงแสงจันทร์นี่หรอก ไม่เหมือนก็แสงเดือนแสงดาวนี่หรอกคึดแทนจ้าได้เห็นตัวเองนั่นมั น, นส่องได้เห็นขับภายนอกอั น, นันเป็นของภายนอกต่างหาเห็นพัดด้วยใจของตนเองใช้เสียวในที่นีนั่นแหละคิดเป็ น, น, น, <c oughs> น, น, นพัดสอง เมื่ไม่ใช้แก้วในที่นี้แล้วมองดูขันหาดูปมันไม่เป็นลูกใช่ไหมไม่จั่อะไรไม่จับอะไรเวทนาเจียะคานิยานมันไม่ใช่เวทนาเาียะคานิยานใช่ไหมมันเป็นอึอ้งหนึ่งต่างหากอะไรต่อไมัใช่แต่สิงนั้นนีกมีอย่างนั้น เกิดขึงน่าดับไปเกิดต่อาดับไปถ้าจะว่าอะไรก็ไม่ผิสักคนเดียวถ้าจะสมมติก็ไม่ไม่เป็นเชิงตามส ม, มุตินั้นเองจะเห็นคันห้าชัดตรงนั้นอาใัยความระพัดถอนความใจสือวานใจเป็นกลางกลางใช่ไม่านถึงตรงนั้นแล้ว โคนาพุโทโธหรือเปลา่าอะรฟ้าฤทธิ์หนูไม่โคนาคนช่างสิเป็นว่าถึงที่ของโคนาแล้วนะต้องการตรงนั้นแหละโคนาเดิ <c oughs> นั้นจงพางตั้งจใหวางให้เป็นกลางกลางเป็น ในกลางพัดสอนแล้จะคิดเจนาก็ช่างคิดเจนา ก, ก็ตามถ้ามันอยากพิจาจนานี่ตืนเต้นนะอยากจะคิดเจน่าอีกถ้ามไม่ตื่นเต้นไปจะพิจนาก็อยายกิจนาวันเนี้คิเจนารองธาเรื่องขัน ก, ออาาก็ตามใจพิจารองอะจะน่าจะตามใจมันมันเป็นบังคับมันมันเป็นเอง งานนี yeah, ้จะถูกต้องทาเลย